ค้อนใครเราทุกคนล้วนทำผิดกันได้ทั้งนั้นชีวิตคือการเรียนรู้ที่จะทำผิดให้น้อยลงเรื่อยๆเพื่อจะบรรลุเป้าหมายนี้ วัดของเราจึงมีนโยบายว่าพระทาผิดได้เมื่อพระไม่ต้องเครียดว่าจะทำความผิดไม่ได้ท่านก็เลยไม่ค่อยจะทำอะไรผิด<ว><น>ขณะที่อาตมาเดินผ่านสนามของวัดวันหนึ่งอาตมาก็าพบว่ามีค้อนอันหนึ่งวางทิ้งอยู่บนพื้นหญ้า เห็นได้ชัดว่ามันอยู่ตรงนั้นมานานเพราะสนิมเริ่มขึ้นแล้วอาตมารู้สึกผิดหวังในความสับเพ่าของพระลูกวัดมากทุกๆสิ่งที่เราใช้อยู่ในวัด ต, ตั้งแต่จีวรจนถึงเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆล้วนได้รับบริจาคมาจากญาติโยมผู้ซึ่งต้องทำงานหนะักขราว่าชาวพุทธผู้ยากจนแต่ใจบุญ อาจจะต้องอดออมเงินเป็นอาทิตย์อาทิตย์เพื่อจะซื้อคอนอันนี้มาถวายวัดเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติต่อของที่ญาติโยมถวายอย่างขาดความเกรงใจเช่นนี้ดังนั้นอาตมาจึงเรียกประชุมสงฆ์คนมักจะบอกอาตมาว่า ลักษณะนิสัยของอาตมานั้นนุ่มนวลราวกับทั่วเละๆแต่ในเย็นวันนั้นอาตมาเผ็ดร้อนราวกับพลิกขี่หนูไทยทีเดียวอาตมาเทศดุพระลูกวัดอย่างรุนแรงพวกพระจะต้องได้รับบทเรียนและเรียนรู้ที่จะดูแลรักษาสิ่งของเพียงไม่กี่อย่างที่เราครอบครอง เมื่ออาตมาเทศจบพระทุกๆองค์นั่งตัวตรงเป็นแผ่นกระดานนาซีดและเงียบกริบอาตมารออยู่สักครู่คาดหวังว่าคนที่เป็นตัวการจะรับสารภาพแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระทุกองค์ตัวแข็งเงียบสนิทและรอคอย อาตมารู้สึกผิดหวังมากๆกับบรรดาพระลูกศิษย์ขณะที่อาตมาลุกขึ้นเดินออกไปจากศาลาอย่างน้อยที่สุดอาตมาก็คิดว่าพระองค์ที่ทิ้งคอนไว้ที่สนามหญ้าจะมีความกล้าพอที่จะสารภาพและขอขามาหรือคำพูดของอาตมาจะรุนแรงเกินไป ขณะที่อาตมาเดินออกจากศาลาอาตมาก็ตระหนักในบัดนั้นว่าเหตุใดจึงไม่มีพระองค์ไหนยอมรับสารภาพอาตมาหันหลังเดินกลับเข้าไปในศาลาทันทีผมรู้แล้วว่า ใครเป็นคนลืมคอนไว้ที่สนามยากตัวผมเองอาตมาลืมสนิทไปเลยว่าตัวอาตมาเองนั่นแหละที่ออกไปทำงานในสนามและด้วยความเร่งรีบอาตมาจึงลืมเก็บคอนแม้ขณะที่กำลังเทศนาอบรมลูกศิษย์อย่างถึงปริกถึงฉิงน ความทรงจำก็ยังศูญหายไปจากอาตมาจนเมื่อดุลุกสิ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นแหละมันจึงหวนกลับมาคนที่ทิ้งคอนไว้นั้นคืออาตมาเองหน้าขายหน้านักโชคดีว่าวัดเราไม่ห้ามใครทําผิดรวมถึงเจ้าอาวาส ด, ด้วย